พวกเราชา บ, บ้านได้ข่าวหรือเปล่าว่าเขามีความคิดที่จะสร้างเขื่อนนะไม่ได้บนเขานะข้างล่างตรงช่องสามหมอเขาจะทำมีการศึกษาเพื่อที่จะสร้างเขื่อนแนวเขื่อนนี่มันก็จะติดช่องสามหมอ นะก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำท่วมทั้งอำเภอเลยนะแก่งครอเนี่ยทั้งเมืองนะอัตมาก็ได้ดูแผนที่บ้านแล้วก็มันก็ยาวจงถึงโนนก่อนถึงภูเขียวเป็นอ่างเก็บน้ำคนที่ ย้ายมาหนีมาอยู่ชายภูมิก็กลัวน้ำจะท่วมกรุงเทพวันนี้ก็ได้เจอน้ำท่วมนะถ้าเขาสร้างนะเนะนะขาประมาณว่าจะโดนไปหลายตำบลอย่างกันประมาณสองหมื่นสองหมื่นครัวเรือนจะต้องอพยพนะคนก็เป็นแสนนะนะอพยพไปไหนไม่รู้นะ สงสัยขึ้นมาบนหลังเขาที่นี่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนี่ก็โวยก็ที่ดินคงจะแพนขึ้นเยอะเลยนะบนหลังเขาแล้วก็คงจะมีการทำลายป่ากันมากขึ้นเพราะว่าสองนุน่นครัวเรือนนี่มันไม่ใช่น้อยเลยนะระดับน้าก็สูงนะหลายสิบเมตร อันนี้เขากาลังกำลังสำรวจความเป็นไปได้อยู่นะเมืองไทยไม่มีการสร้างเขื่อนท่วมเมืองนี่มาหลายปีแล้วยี่สิบปีและะ้วมั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วที่ไม่มีการสร้างเขื่อนประเภทว่าท่วมเมืองเลยนะแต่ว่ามันก็มีคน ที่เรียกว่าความคิดประหลาดๆจะผลักดันให้มีโครงการนี้ขึ้นเพราะถ้ามีแล้วนี่งบประมาณมันมหาศาลหลายหมื่นล้านอาจจะเป็นแสนล้านสนระ้างเกืนเพราะว่าเกื่อนใหญ่มากอ่างเจ็ดน้ํานี่จะจะใหญ่กว่าเขื่นภูมิทัอีกนะอันนี้ก็พรเพื่อเพื่ออีสานเขียวนะ เพราะว่าตอนนี้น้ำมันก็มีน้อยลงแล้วเขาก็คิดว่าจะเก็บกักน้ำได่เยอะเรื่องนี้พวกเราชาวบ้านไม่รู้เรื่องกลนนะ ท, ทั้งที่ว่าเป็นคนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของประเทศคนแก้งขอตรงนี้เขาก็เริ่มมีการก่อตัวกระท้วงแล้วเริ่ม ยังไม่จึงกับประท่วงเริ่มแต่เป็นการคัดค้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภัยจากมนุษย์นะอยู่ชายภูมินี่ก็าคืว่าปลอดภัยปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวนะหลายคนก็ อ, อุตส่าห์มาซื้อที่นะบอกว่าก็มาเจอ เหมือนกับนี้เสือป่าคาระเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับรู้เอาไว้นะที่จริงเมื่อ20ปีก่อนนี่มันก็มีความคิดนะจะเอาคนบนหลังเขาลงไปข้างล่างโครงการคอจอก่อโครงการคอจอกกอก็เป็นโครงการที่จะฟื้นฟูป่าแล้วก็ขับผักดันคนลงไปข้างล่าง ตอนนั้นที่วัดแถวบ้านตาลินทองหลายหมู่ บ, บ้านบนแถวนั้นก็จะโดนด้วยแต่ว่าที่ตึกบ้านใหม่ก็ก็โดนด้วยนะตามโครงการเนี่ยจะผลักดันคนลงไปข้างล่างจะเอาป่าแต่ไม่เอาคนนะแต่ว่าก็ประท้วงกันจนไปทั้งเขาเลิกไอโครงการที่มันทําทั้งประเทศนะคนก็ประท้วงกันทั้งประเทศ รัฐบาลก็เลิกคือไม่เป็นรัฐบาลระเด็จการอตอนนี้มีโครงการใหม่แล้วนะจะเอาน้ำไม่เอาคนคนก็ผลักขึ้นมาข้างบนนะอันนี้ก็เป็นโครงการที่ประหลับประหลาดก็ถ้าเกิดว่านักการเมืองและขราชการเขาเขา อ บ, บาจีเนี่ยก็คงจะสร้างเกอนจริงแล้วก็คงจะวุ่นวายมากคิดดูซชว่าเมืองแก้งคอทั้งเมืองนี่หายไปเลยมันจะสูญเสียแค่ไหนนะทั้งวัดวาอารามทั้งที่นาทั้งตกหลามบ้านช่องก็จมอยู่ใต้น้ำอันนี้คงเป็นเรื่องใหญ่มาก อันนี้ก็มันก็เป็นตัวอย่างความคิดคนนะที่คิดว่าจะสามารถควบคุมบังคับบัญชาธรรมชาติได้สามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้เป็นไปตามใจปรารถนาคนที่คิดแบบนี้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะนักการเมืองหรือว่าข้าราชการนะมันเป็นนักประเทศแม้กระทั่งชาวบ้านก็คิดกันแบบนี้มากขึ้น อย่างรถหลังเขาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยดูแลสนใจลำพุ้ยลำทานแล้วเห็นต้นไม้ก็ตัดเห็นสัตว์ก็ฆ่าเห็นปลาก็ระเบิดนะไม่จับแล้วระเบิดเลยหรือเอาไฟฟ้ า, าช็อตเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่ธรรมชาติเป็นหลังเขาเนีมัน เสือบสภาพลงไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นความคี่ของคนทั้งประเทศเห็นต้นไม้ก็นึกภาพเป็นทรงแล้วมองต้นไม้นี่เห็นเป็นทรงที่จะเอาไปขายได้ที่ภูหลงนี่ก็ยังมีคนลักรอบตัดไม้นะแต่ว่าเลือกแต่เฉพาะไม้พยุกต์พอมาพยุกตต้นราคาแพงมากสองสามแสน ออกจากออกจากกู ล, ลงไปนะถ้าไปถึงประเทศจีนก็หลายแสนราคาจะเป็นล้านประเทศจีนก็สั่งซื้อมาเี่อยู่นี่เวลาเรามองต้นไม้เราก็เห็นเป็นทรงที่จะขายกาไรเวลาเห็นปลาก็เห็นเป็นแต้ซะไม่ได้เห็นเป็น ธรรมชาติที่จะปล่อยให้เ้าอยู่อย่างปกติเห็นลําห้วยก็มองว่าเป็นทางระบายน้ําน้ําเสียนะน้ำเสียของโรงงานแต่ที่จะมองว่าเป็นสายเลือดที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตคนแล้วก็ทําบนหลังขาวตอนนี้ลำห้วยลําทารลำประทานนี่ก็ชาวบ้านก็ไม่อาบไม่ใช้กันแล้วเพราะว่ามันสกรปรก บางทีดูมันใสๆเงนะแต่ว่าอาจรับคันเพราะว่าสารพิษเยอะบางคนก็เอามาใช้ล้างรถเอารถสองเอารถมอเตอร์ไซค์ไปไปจอดอยู่บนตาดแล้วก็เอาไว้ล้างรถเดี๋ยวนี้ลำพ้อยลำธารมันมีความหมายแค่นี้ถ้า น, อน้อ่ธรรมชาติก็เลี้ยงเรามานะ เลี้ยงเราเลี้ยงทุกคนนะนะทั้งคนเมืองทั้งคนชนบทให้มีความ <c oughs> สุขสบายแต่เดี๋ยวนี้เราก็ห่างจนธรรมชาติมากโดยเพราะคนในเมืองนี้ก็ไม่รู้สึกแล้วว่าตัวเองนี้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติยังไงยิ่งเด็กๆแล้วนียิ่งไม่รู้เลยนะถามว่าน้ำ ม, มาจากไหนเด็กก็บอกตอบว่าน้ำ ม, มาจาก ก็เด็กนีกไม่ออกว่าน้มัน ม, มันมาจากลำห้วยลําธารแล้วก็มาจากป่าเคยมีพวกฝรั่งมาที่นี่นะแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ฝรั่งเขาก็ลายฟังว่าเดี๋ยวนี้เด็กฝรั่งเนี่ยเขาตกใจนะเวลาเขาพบว่าไข่ไก่เนี่ยมันออกมาทําตูดไก่ พอเขาไม่คิดว so okay, ่าไข่ไก่มันจะมาทางไันเขาคิดว่าไข่ไก่มันอยู่ที่ร้านหาซื้อได้จากร้านพอเขารู้ว่าไข่ไก่นี่มันมาจากตูดไก่นี่เขาบอกโวยกินไม่ลงแล้วสกปรกตูดไก่มันสกปรกกินไม่ลงนะไม่กล้ากินไข่แล้วเพราะว่ามันมาทางตูดไก่เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เลยนะต่อไปเด็กไทยก็จะเป็นอย่างนี้แหละตกใจนะ ไค่มาจากตูแล้วเนี่ยโอ้ยไม่กล้ากินแล้วขยะขยงนี่เพราะว่าเหมนนทางากับธรรมชาติแล้วพอเหมนทางแล้วความรักธรรมชาติก็ไม่มีแล้วล่ะก็คิดแต่จะทำลายทำลายพวกสมองกินเลยอันนี้แหละคือผลที่เราจะจับที่มีธรรมญาติปลาปีนี้เลยจับอีกอธรรมญาติตาครั้งที่สิบสาม เป็นธรรมยาตาที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทยนะเคยมีธรรมยาตาเพลย์สงขาก็จัดได้เจ็ดแตครั้งก็เลิกแต่นี่เราทำมาจะเป็นครั้งที่สิบสามแล้วปีนี้ก็จะมามามาเพลงวันที่สุกโตด้วยประมาณวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยสี่หรือห้าเนี่ย ก็เป็นงานประจำปีที่รนรงให้คนมาตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งชาวบ้านด้วยทั้งคนเดินด้วยนะเพราะว่าคนเดินนี่ก็กว่าครึ่งก็เป็นปเทศคนในเมืองเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนจากกรุงเทพบางขอนแก่นบางชัยภูมิบ้าง พวนี้เลยว่าไม่ค่อยได้รู้จักธรรมชาตินะบางคนที่ไม่เคยเห็นวัวไม่เห็นไม่เคยเห็นควายแล้วก็มีเห็นวัวควายนี่แยมบอกว่าอันไหนอันไหนเป็นวัวไหนเป็นควายานะเฮ้ยทาไมวัวเขามันยาวนะสีดำดำแยมไม่ออกแล้วนะนนว่าอันนั้นมันควายนะไม่ใช่วัวนะก็ให้มาสัมผัสกับธรรมชาตนะิแล้วก็ได้มาเรียนรู้ว่า การนอนกลางดินกินกลางทรายเป็นยังไงแล้วก็รู้จักการอยู่แบบง่ายๆแล้วก็รู้ว่าไอ้การอยู่ง่ายกินง่ายนี่ก็มีความสุขนะไม่ยังไปต้องสบายก็ได้ส่วนผู้ใหญ่นี่ก็เป็นการเจริญสติไปด้วยนะมาเจริญสติท่ามกลางแดดที่ร้อนนะทำยังไงใจ มันจะเย็นได้ถ้านั่งที่กายร้อนนะก็ใครที่ว่างก็เชิญนา่เตรียมตัวนะจะได้มาร่วมกันเดินปีนี้จะใช้โอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,500 ปีแห่งการตัดสุุของพระพุทธเจ้านอนจะเดินจากบ้านกุดงงมาเลยนะบ้านกุดงงไม่ใช่กุดงงนี่นะกุดงงชัยภูมินะขึ้นมาผ่านภูพระ เนาะแล้วก็มอหินขาวแล้วก็ขึ้นขาวมาจนกระท้่งไปสุดที่ปูหลงอ่ะแล้วก็